มีอาจาย์รูปหนึ่งนะท่านส่งวิดีโอมาให้ดูสั้นๆอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กฝรดังน ะ, <S <S งนะเด็กฝดังอายุสักขวบไม่กว่ากว่าไม่เกินสองขวบนะก็พอเดินได้เด็กก็อยู่ในที่กลางแจ้งนในช่วงกลางวัน ก็ยืนอยู่แล้วก็มันก็มีแสงแดดนะก็ทําให้เกิดเป็นเงาของตัวเองอยู่ตรงนั้นพอเด็กมองไปเห็นเงานะมันกลัวเงานกลัวเงานี้ไม่รู้จักนก็เลยแบบวิ่งหนีเงาวิ่งหนีเงาพอวิ่งไปสักพักเอาเห็นเงาตามมาอีกล้ว วิ่งหนีไปอีกนะนะพอวิ่งไปจะพักหน่อยเห็นเงาตามมาแล้ววิ่งหนีไปอีกนะขนาดที่วิ่งก็ร้องด้วยนะกลัวด้วยนะบางครั้งก็วิ่งไปล้มไปนะเงาก็ตามไปทุกที่ล้มไปด้วยนะนะนะก็ร้องไห้นะก็กลัวนะก็เหมาะก็คลิปก็สัส้นๆประมาณนะี้ก็ เีกว่าเด็กวิ่งหนีเงาตัวเองเนาะนี่ด้วยความกลัวด้วยความตกใจแต่ ม, มองไปมองดูคลิปเฉๆก็ดูน่ารักดีดูตลกดีแต่จริงถ้าเทียบกับ ท, ทีจริงก็ไม่ใช่แค่เด็กนะที่วิ่งหนีเงาตัวเองนะผู้ใหญ่เองหรือคนทั่วไปเองก็ คล้ายๆกันนะพยายามหนีจากเงาของตัวเองนะอืหนีจากอะไรอืเราพยายามหนีจากสิ่งที่เราไม่พอใจอือะไรที่เราไม่พอใจเราก็พยายามที่จะหนีมันนฝักใสมันแต่มันดีเท่าไหรก่ก็หนีไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราก็มีความไม่ชอบไม่พอใจมันนะ มันก็ยิ่งยิ่งพยายามที่จะหนีนะก็ก็ยิ่งทุกขนะ์ความไม่พอใจบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะหรือบางทีเราจะสึงไม่เวลามันมีความคิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะเรายิ่งพยายามจะผลักใสมันเรายิ่งไม่พอใจมันมันยิ่งตามมานะ มนยิ่งตามมาบางทีตามมาในความฝันนะหรือตามมาในความคิดนะสิ่งใดที่ไม่ชอบนะบางทีมันก็ติดนะเราไม่ชอบสิ่งนี้นะแต่มันก็ยิ่งยิ่งติดเนหะมือนกับพระอาจารย์ไปะาจารเเล่าเรื่องหนึ่งนะเหมือนดิงดิงมันไม่ชอบกะปินะ มีคนเอากระปินะไปไปให้มันจับไปให้มันตอนแรกมันถึงว่ามันจะเป็นของกินได้มันก็จับถูกระปินะมันยิ่งพอจับแล้วมันก็เหม็นนะมันไม่ชอบกระปิแต่พอมันเหม็นแล้วมันก็เอามือไปถูต้นไม้ไปถูดินให้กลินกระปิมันออก ถูไปทักพักก็เอามาดมอีกละเอามาดมดมไปแล้วก็เหม็่นหม็่นแล้วก็เอาไปถูอีกแหละนะถูจนกระทั่งมือมันเป็นแผลแต่มันก็ยังไม่หยุดดมนะมันก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นกระปิเนนะี่มันมันเป็นกลิ่นที่ที่น่ารังเกียจแต่มันก็ยังคอยดมอยู่นั่นแหละเป็นทั้งอ่มันเป็นแผล มันทำร้ายตัวเองตัวเงาเองก็ดีนะหรือตัวกติเองก็ดีบางทีมันก็มันก็อาจจะยังอยู่นะมันอาจจะยังอยู่ใกล้ๆนะอยู่ด้วยกันนั่นแหละกับตัวเราแต่บางทีเราก็ทุกข์นะหรือเราก็เจ็บนะเพราะสิ่งที่เราไม่พอใจเหมือนเด็กอะ่ะ ไม่พอใจเงาก็เลยวิ่งหนีเงาจนทั้งหกล้มจนทั้งร้องไห้ถามว่าเงาเป็นคนผักให้เด็กล้มไหมนะก็ไม่ใช่นะแต่เราวิ่งด้วยความกลัวก็เลยก็เลยเกิดความทุกข์ใจนะนะบางทีชีวิตเราเองก็ต้องพิจารณาบางทีเราไม่ชอบสิ่งใดเรากลัวสิ่งใดนะ บางทีก็ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดความความทุกข์ใจนีเ่เราจะมองในแง่ว่าเออเราเห็นเ อ, อเป็นความไม่พอใจเป็ความไม่ชอบใจเรากลัวมันเรานี้มันก็ทําเกิดความทุกข์หรือเราจะตีความอีกแบบหนึ่งก็ได้นะที่เด็กวิ่งหนีเงาตัวเองเนี่ยบางทีก็คือคนทั่วไปก็คือหลงความคิดนะ ถ้าจะว่าไปจริงๆเงาก็เหมือนกับความคิดเนะี่ยที่มันที่มันตามเราตลอดเวลานะแต่เงามันก็ตามได้เพียงแค่ช่วงกลางวันหรือช่วงที่เราไปอยู่ในการแจ้งมีแดดส่องให้เกิดเงานแต่ความคิดนี่ตามทั้งวันทั้งคืนนะเอไม่หยุดไม่ย่อนนะเราจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่ได้นะความคิดนี่ เราจะอยู่กับคนเราก็หนีความคิดตัวเองไม่ได้เราจะไปอยู่คนเดียวนะก็หนีความคิดตัวเองไม่ไดนะ้จะไปอยู่ป่าอยู่ถ้าอยู่ที่ไหนนะก็หนีความคิดนะของตัวเองไม่ได้ความคิดเปลี่ยนเหมือนกับเงาที่มันตามตัวนะตลอดเวลาเลยนะคนเราถ้าเราไม่รู้ทัน ความคิดเนี่ยแหละนะมันจะถูกความคิดหลอกนเะหมือนเด็กที่ถูกเงาของตัวเองหลอกนะให้กลัวให้หนนะีการภาวนาจริงๆก็คือเนะี่ยการให้เราฝึกรู้ทันรู้ทันความคิดนะถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆก็เหมือนกับเงาที่มันคอยตามนั่นแหละนะเราห้ามให้เกิดความคิดไม่ได้นะเหมือนกับกรรวันที่เราก็ห้าม ให้เกิดเงานะกับเนื้อกับตัวไม่ได้นะแต่เราเพียงแค่ออฝึกให้มันเห็นมันนะเห็นมันแล้วนะถ้าเราดูมันจริงๆเนี่ยความคิดมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดนะถ้าเราดูด้วยใจเป็นกลางจริงๆเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะเหมือนกับเงาที่ถ้าเราดูมันจริงๆอยู่เฉยๆมันก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะ แต่ถ้าเรายิ่งวิ่งหนีมันก็ยิ่งวิ่งตามความคิดก็เหมือนกั น, นถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยเออไม่ต้องดิ้นรนผักใส่เขานแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากไปลงเล่นกับเขาบางทีถ้าเราไปลงเล่นกับเขาเขาก็เล่นด้วยใช่ไหมเหมือนนักมายากลมงคนใช่ไหมเล่นกับเงาน ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานเป็นเรื่องราวเป็นละครได้เหมือนนักมายาคนที่นักสแสดงที่เล่นกับเงาเอาเงามาเล่นหรือเราเห็นพวกหนังใช่ไหมหนังตะดุงหรือหุน่นหุ่นต่างๆที่อาศัยเงากับแสงกับเงากับตัวละครที่ที่สร้างขึ้นมา มันก็สร้างเป็นเรื่องราวนะอย่างตะดุงก็เป็นเรื่องราวต่างๆได้นะหุ่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆได้ความคิดของเราก็แบบนั้นนะบางทีมันก็เกิดจากการสร้างแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆได้นะการภาวนาจุดสาคัญนะคือการรู้ทันความคิดนะเห็นความคิดไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนนะ เห็นความคิดเป็นเหมือนเป็นเหมือนเงาเป็นเหมือนมายาภาพความคิดเป็นแค่ส่วนหนึ่งแม้มันจะเกิดเรื่องด้วยนะเกิดเรื่องด้วยขันนะเกิดเรื่องด้วยจิตนะแต่มันเป็นคนละตัวกับขันคนละตัวกับจิตนะมันเป็นเพียงแค่อาการนะสติเนะี่ยจะทำให้เราเห็นนะ เห็นความคิดเป็นเหมือนเป็นเพียงแค่เงาเป็นเพียงแค่มายานะเมื่อเราเห็นมันแล้วมันก็จะหลอกมันก็จะหลอกเราไม่ได้นะตอนนี้คือตัวสําคัญเลยนะนะเราจะปฏิบัติทำวิธีไหนก็แล้วแต่รูปแบบไหนก็แล้วแต่นะกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ น, นี้นอาศัยกายเป็นหลักนะอาศัยกายอาศัยธรรมบริกรรมเป็นหลักนะแต่กายนะ หรือบริกรรมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อให้จิตมันมันมีหลักในการกลับมานเะมื่อไใดที่เราหลงไปกับความคิดก็ให้เรากลับมาหากรรมฐานที่เราทําอยูนะ่เรากลับมาหาการเคลื่อนไหวกนะลับมาหาลมหายใจนะเรากลับมาก็คือเหมือนเราจะได้ไม่หลงเงาคลนะ้ายๆเหมือนกับ เรากลัวเงาเราก็เพียงแค่หันหน้ากลับมาจะไปมองมันนพะอไม่มองมันมันก็ไม่กลัวนะเราก็ไม่เห็นนะความคิดก็เหมือนกันเวลามันเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้นะเรากลับมาก็คือเราเบือนหน้าหนีมันนะไม่ต้องไปมองมันมันก็ไม่เห็นความคิดแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติทำเวลาจิตมันไปคิด แล้วก็แค่กลับมารู้ตัวกลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เราทําอยู่ความคิดมันก็ไม่มีที่ตั้งละมันก็หายไปนแต่บางทีเราก็อาจจะเหมือนเหมือนกับลิงเนาะตอนไม่ดมมันก็ไม่เหม็นนะแต่ตอนดมมันก็เหม็นเอามือมาดมมันก็เหม็นนบางทีเราก็อดไม่ได้ก็เผลอเอามาดมอยู่แล้วแหละนะมันก็เลยเหม็นไปใหญ่นะ ความคิดมันก็คือหลอกมาหลอกรอดให้เราเออไอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบเนี่ยเอามาดูเอามาดมเอามาเศษนะแต่สติก็คือเป็นการเหมือนวางรู้จักวางมันนะเมื่อรู้ทันว่ามันเผลอไปแล้วนะเราก็วางมันเสียนะแต่มันก็วางไม่ได้ตลอดนะแต่สิ่งที่เราทำคือทำให้มันได้บ่อย ความคิดก็เหมือนกันเราห้ามมันไม่ได้นจะห้ามให้มันเกิดก็ไม่ได้นสำคาญทั้งร้ายนะทั้งปวงนะมันก็เป็นของมันเองนะมันเป็นสภาวะเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องดับไปนะมันเป็นสภาพของมันเช่นนั้นแล้วก็แค่เห็นมันเกิดขึ้นอะรู้ทันมันแล้วก็ อย่าไปปุงกับมันอย่าไปจมกับเรื่องราวของมันเราเห็นแล้วเราก็กลับมาหาฐานที่เราทำอยู่นะกลับมาด้วยใจเป็นกลางด้วยใจตั้งมั่นนะมันก็จะไม่มีที่ตั้งนะไม่มีที่ตั้งมันก็ตกไปคล้ายๆของที่มันตั้งอยู่ในมือนะจะของราคาแพงราคาไม่แพงจะของอะไรก็แล้วแต่สมมติเราแบมมือแล้วก็รับมันไว้นะ ที่จริงเหมือนเราพลิกมือกลับไปนะของนั้นก็ตกแล้วหรือของบางอย่างเราก็ําไว้นเราปล่อยมือเราคลายมือมันก็ตกแล้วนะสภาวะจิตนะสภาวะความคิดสภาวะอารมณ์ก็เหมือนกันนะเราเพียงแค่รู้ทันนะรู้ทนันเหมือนเป็นการปล่อยเหมือนเป็นการพลิกนะ บางทีก็เหมือนเป็นการพลิกนะบางทีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยทุก้ทุกแบบอืมกินไม่ได้นอนไม่หลับนะย้ำคิดย้ำทำกับมันแต่พอสักพักไปเอ้อมันมันก็คลายของมันนี่เองเองนะเาะมองไปอีกทีเออมันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะเนาะพอเรามองไปเรื่องธรรมดา มันคล้ายเปลี่ยนเปลี่ยนมุมคิดไปเลยนะแต่ก่อนนะเคยเสียใจเคยทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นแต่พอใจมันยอมรับไดออ้มองเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทุกคนก็ต้องเจอนะนะเราเองก็เจอนะบางคนก็อกหักบางคนก็สูญเสียของรักบางคนก็สูญเสียคนรักนะ นะบางคนก็รู้ว่าพอตัเองป่วยนะนะี่ยก็เกิดความกลัวนะไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มันเหมือนพอเราเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจนะไม่อยากเจอนะจิตมันก็เลยเกิดความผักใสนะแต่ผักใสนั่นแหละคือการไปยึดมันไว้นะไปเกาะมันไว้แต่พอ อยู่กัมนมาสักพักมันรู้ว่ามันเป็นความทุกข์นะหรือจิตมันก็เริ่มอิ่มตัวกับมันนะมันก็เออมองเป็นเรื่องเริ่มเข้าใจความจริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องที่เราเองก็เจอคนอื่นก็เจอนะความพัฒภาคความแก่ความเจ็บความตายนะมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ต้องเจอนะ เมื่อเจอแล้วก็เมื่อเรามองไปเรื่องธรรมดานะ่มันพิกเลยจากที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่พอใจพอมองไปเรื่องธรรมดามันก็มันก็ไม่ทุกข์ใจละไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ก็เราเองก็ต้องฝึกนะฝึกเตรียมตัวไว้เพราะว่าเราก็ต้องเจอแน่นอน หรืบางทีเรื่องราวอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่เป็นเรื่องการทักท่าสูญเสียอะไรแบบนั้นนะแต่บางทีก็อย่างที่ว่าเนะเงาที่คือความคิดที่คอยดอกเรานะดอกให้รักดอกให้ชังดอกให้ดีใจเสียใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยน ะ, นะบางทีเราก็อย่าประมาทนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยะ ต้องสัมรวมระวังเลยนะเรื่องการกินเนี่ยนะนะบางทีดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องธรรมดานะแต่มันก็เป็นอนุสัยไดนะ้เป็นอนุสัยเึงความพอใจนะพอใจนะในการกินทำไมพูะุทธเจ้าท่านเน้นย้ำหลายทีนะการรู้จักประมาณในการบริโรกเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัตินะเพราะว่าท่านมองเห็นเออ อันนี้ยการรู้จักประมาณป ร, ประมาณนี้ไม่ใช่แค่ปริมาณประมาณในเรื่องปริมาณเท่านั้นนะประมาณก็คือที่จริงความสํารวมนะไม่ทำตามใจนะบางทีมันอยากนะบางทีของบางอย่างเราอยากเราชอบเราก็กินมันมากของบางอย่างเราไม่ชอบเราก็ไม่กินเราก็ไม่เอาเลยนะ แต่การรู้จักประมาณในการเป็โโคเนี่ยนอกจากรู้จักประมาณในปริมาณแล้วนะยังรู้จักตัดความพอใจความไม่พอใจตอนนั้นได้ด้วยนะคือนะเรียกว่าตัดการติดใจแม่สิ่งที่ชอบแม่สิ่งที่อร่อยนะเมื่อทานเสร็จก็ก็รู้มันก็วางมันนะไม่คิดต่อนะบางทีคารวะเนี่ยจะพอ กินที่นี้ถ้าติดใจนะก็อยากจะไปกินอีกนะบางทีก็เกิดสังขารปรุงแต่งเอ้าชวนเพื่อนชวนแฟนชวนญาติพี่น้องอไปกินดีกว่าเพราะเรากินแล้วอร่อยถามว่ามันก็ดีไหมดีในเชิงส่งสันในเชิงครอบครัวนะแต่ขณะที่กินเสร็จแล้วเราเราไม่จบแค่นั้นนะเราก็ยังปรุงแต่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะ ที่จริงอนาคตเราจะได้มากินอีกเราจะได้ไปชวนเขามากินอีหรือเปล่าไม่บางทีก็ก็ไม่รูนะหรือบางทีเราไปกินอะไรแล้วมันไม่พอใจไม่อร่อยนะบางทีกินไปแล้วก็บ่นไปหรือหรือกินเสร็จแล้วมันก็ยังยังตำหนิยังวิจารณ์เขาไม่จบไม่สิ้นอยู่นะยังมีความไม่พอใจตามมาด้วยบงที่ ตัวมันออกแล้วหรือวางทีอาหารที่กินมันย่อยมันมันถ่ายออกหมดแล้วนะแต่ของเสียในใจยังตกค้างอยู่นะอันนี้คือการรู้จักประมาณนะมันจะช่วยให้เราไม่ติดใจนะนะทุกอย่างน่ะที่จริงการบริโภคนะไม่ใช่ไหมแต่เรื่องอาหารนะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของใช้นะ เรื่องไม่แต่เรื่องยารักษาโรคนะมันก็ก็ให้เรารู้จักเนะี่ยใช้ในส่วนส่วนที่จําเป็นพนระาอาจารยอให้เรารู้จักให้เรื่องพวกนี้แหละนะที่จริงมันก็คือสอนเรื่องความความพอใจความไม่พอใจนี่แหละนะมันจะกลายเป็นสำคาญเป็นความคิดเนะี่ยอ หลวงพ่อคำเขียนนะบางทีท่านย้นะํานำบอกว่าขึ้นชื่อว่าสำคาญทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันล้วนไม่เที่ยงนะมันล้วนเป็นทุกข์มันล้วนไม่ใช่ตัวตนนะความคิดเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนะเราภาวนาเนะี่ยให้เกิดสติเนะ้วเกิดปัญญาเพื่อเห็นตรงนี้แหละนะถ้าภาวนาแล้วเห็นตรงนี้ได้เนี่ยชื่อว่าถูกทางนะ แต่ถ้าภาวนาแล้วเนี่ยยังไม่เห็นกอาการเกิดดับของความคิดไม่เห็นเนี่ยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็ยังภาวนายังไม่ยังไม่ถูกหรืออาจจะยังไม่ถึงนะอาจจะถูกอยู่หรอกนะแต่อาจจะยังไม่ถึงก็ได้เนี่ยเราต้องภาวนาถ้าเราจะตรวจสอบ ว, ว่าเราภาวนาถูกทางใกล้เคียงไหมก็ดูตรงนี้แหละเห็นนะ เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเหมือนเงานะไม่ใช่ตัวเราจริงๆริงนะมันเป็นเพียงแค่ความคิดมนะันเป็เพีย ง, งแค่มายาที่เกิดขึ้นชั่วคราวชั่วขณะนะเราไม่หลงไปกับมันเนะี่ยนี่คือว่าเราภาวนาถูกแล้วนะเมื่อใดที่เราหลงไปกับมันนะเรากลับมาออกจากมันได้อันนี้ก็ถือว่าถูกทางลนะะดูไปเรื่อยๆันทั้งกลับบ่อยๆกลับไปบ่อยๆ จากที่หลงนี่แหละจากที่กลัวนี่แหละจากที่คิดว่าความคิดมันเป็นเราเนี่ยแหละกนละับบ่อยๆกลับไปบ่อยรูนะ้ทันบ่อยๆใจเป็นกลางมากขึ้นเนะี่ยมันก็จะเห็นเป็นคนละส่วนนะเหมือนกับพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เข้าใจแล้วเอองานั้นมันก็เป็นธรรมชาตนะิมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะไม่เห็นต้องกลัวมันก็อยู่กับมันก็ได้นะนะแล้วก็อยู่กับ อาการของขันที่เป็นธรรมชาติของขันวนะิญญาณขันวนะิญญาณคือการรับรู้นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายสัมผัสจิตใจคิดนึกเนี่ยเออมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะตาเมื่อเห็นรูปมันก็ต้องเป็นรูปนะแต่เห็นแล้วนะถ้าตักแต่ว่ารูปมันก็จบ นะแต่ถ้าเห็นแล้วนะเกิดนะเวทนาความพอใจความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็นะเกิดนะที่จริงมันก็เกิดสัญญาก่อนนั่นแหละสัญญากับเวทนามา พ, พร้อมๆกันเลยนะนะเพราะว่ามันเรามีความจํานะรูปแบบนี้ชอบใจรูปแบบนี้ไม่ชอบใจรูปแบบนี้เรียกว่าสวย รูปแบบนี้เรียกว่าไม่สวยรูปแบบนี้เรียกว่าดีรูปแบบนี้เรียกว่าไม่ดีนะ่วนทั้งเสียงรวมทั้งกลิ่นรวมทั้งอะไรเลยนะนี่เราก็ถ้าเราเห็นมันธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ปรุงแต่งต่อมันก็จบไปนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกให้รู้ทันนะบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีนะมันเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องของมันเองอย่างนั้นแหละนะ คล้ายๆเหมือนกับทุเรียนหรือเนี่ยบางคนก็กิ่นทุเรียนมันหอมบางคนก็ว่ากิ่นทุเรียนมันเหม็นที่จริงกิ่นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเราว่าหอมเพราะเราชอบมันแราว่ามันเหม็นเพราะเราไม่ชอบมันนที่จริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ว่าของที่สมมุติจะเรียกว่าเหม็นเช่นขี้เช่นตดเช่นอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็เหม็นของมันอย่างนั้นแหละนะ แต่ถ้าเราไม่ติดใจมันนะมันก็เป็นศัพจะว่ากลิ่นนะแต่ใจเราไปติดมันไม่พอใจมันจเฉยๆแหละมันก็เลยทุกข์เพราะกลิ่นนั้นที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นนั่นแหละนะเราทึกให้มันเห็นความเป็นจริงนะมันก็เป็นแบบนั้นของเขานิสัยเขาก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละ เราเพียงแค่ออรู้ทันเวลาใจเราไปไปยึดติดหรือใจเราไปไปหลงมันเนาะเนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้ไปเนาะก็ค่อยๆทำไปค่อยๆพัฒนาไปนะอะไรที่หลงอะไรที่พลาดก็ให้มันเป็นบทเรียนชีวิตนะเหมือนกับเด็กที่ยังไม่โตก็ย่อมหล ง, งเงาก็ย่ำกลัวนยหรือย่อม เไปเล่นของโซกโปกนะเด็กบางทีก็ไม่รู้ก็เล่นขี้เล่นเยี่ยวเล่นดินเล่นไฟเล่นมีดไม่รู้ว่าเป็นอันตรายไม่รู้เป็นทุกข์เป็นโทษนะแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ของพวกนั้นก็มันก็ไม่เล่นละมันก็ไม่ไปจับละนะเพอ ร, รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยไอ้ที่มันลงมากกว่าคือหลงความคิดเนี่ยแหละนะ หความคิดเนะีุ่ดท้ายมันไ ม, นมน่มันไม่ใช่เพียงแค่ความคิดนะี่มันกลายเป็นตัวเป็นตนนะอ่านะเป็นอัตตาเป็นมานะอ่าเป็นทิฏฐินเนี่ไอ้พวกนี้ยน่ากลัวนะมันเหมือนเราสร้างภาพเลยนะเหมือนเราสร้างภาพนะีคล้ายๆเหมือนกับวาดภาพขึ้นมานะอ่านะจาก กระดาษเปล่าๆเนี่ยเอาสีเอาพูกกันเอาดินสอมาวาดเป็นภาพนี่ยพ้าคนนั้นก็เป็นตัวเป็นตนเนี่ยจากดินเฉยๆก็มาปั้นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันกลายเป็นตัวเป็นตนเราต้องระวังเนี่ยหละจากความคิดเนี่ยธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละกลายมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นเราเป็นของของเราเนี่เป็น อันนี้คือเรียกว่าเราเนาะมันมันเป็นมายาที่มันระวังนะต้องระวังนะในเวลาบางทีเราไม่รู้ทันเนี่ยบางทีมันก็จะกลายเป็นเป็นตัวตนนะมีไพ่จานรุ่นหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าแม้แต่ท่านตอนนั้นท่านกว้างนะกนะว้างฟว้งคิดชู้ในเวลาฉันข้าวเลยนะ อ่าท่นก็เหมือนอาจจะไปสัานที่ร้านมเนี่ยก็พอฉันใส่ก็อาจจะมีพิชซูท่านคว้างลงถังขยะเนี่ยท่านตอนแรกท่านก็ทําด้วยความเคยชินนะตั้งแต่เป็นคารวาสความพิชซูแล้วลงถังรู้สึกตัวเองแน่ตัวเองดีนะแต่ตอนที่ยังไม่เห็นความคิดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นตัวเป็นตนตนะ แต่พอมาฝึกตินะมาเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจปรากฏว่ามันเห็นโอ้ไอ้ น, นี่มันเป็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานะนะเราสร้างลักษณะนะว่าเราหนะยิบชิดชู่ประปว่างถูกทางเนี่ยตัวตนก็ขึ้นมาลนะเนะี่ยการจะทำบางอย่างนะมันดูแฝงดูเท่ๆดูดีๆนะ บางทีก็มีตัวตนขึ้นมาเรารู้ทันมันไหมแต่ถ้าเราแค่ใช้มันบางอย่างเราก็ใช้มันเพื่อทำงา น, งานเพื่อทำการเพื่อทักโลกนะใช้มันแล้วก็วางมันก็ได้แต่บางทีถ้าเราไม่รู้ทันมันจะแสงบนตัวตนนะสิ่งที่เก่งก็จะกลายเป็นตะัวตนว่าเราเก่งสิ่งที่ดีก็จะกลายเป็นตัวตนว่าเราดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นตัวตนว่าเราไม่ดีเราแย่นะ มันก็สร้างได้ทั้งหมดเลยนะตัวตนทั้งด้านบวกทั้งด้านลบนะทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะเราต้องฝึกนะ่ะรู้ทันถ้าเราเห็นมันนะมันจะเป็นเหมือนมายาอย่างหนึ่งนะเออมันเป็นเพียงแค่อากาศนะเมื่ อ, อไรที่เราลงเราก็สร้างมันแล้วเนะมื่อเราที่เรารู้ทันมันก็เราก็ลบมันแล้วเราก็วางมันละเราก็จะเห็นวนะ่าเออ ตัวตนมันเกิดบ่อยเกินนะมันไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะนะมันมีขึ้นมาแล้วเราก็เห็นมันเราก็ไม่ยึดมันไว้ตัวตนมันก็จะเห็นเลยว่าภาวนาไปโอ้ตัวตนนี่มันเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะพราะมีตัวตนมันเลยโกรธมีตัวตนมันก็เลยอยากมีตัวตนมันก็เลยหลงนะมันก็แบบนั้นมันก็จะเห็นนะ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ลงนะแต่คนที่มีสติมันจะแมกขึ้นมาพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะนะนี่เราก็ต้องดูนะบางทีเราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนมันก็มีสภาวะความคิดมีปุงแต่งมีตัวตนขึ้นมานะเกิดขึ้นแต่ให้เราพยายามกลับมาดูตัวเราเองเนี่แหละเป็นหลักนะถ้าเราดูตัวเองเป็นหลักเนะี่ยเราจะเห็น อาการความคิดเห็นตัวตนที่มันแสดงในตัวเราเนะีแต่ถ้าเราดูคนอื่นเป็นดักเนี่ยเราจะกลายเป็นไปติดเนะียไปติดคนอื่นเอ๊ะอันนี้อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเขาดีเขาไม่ดีเนะี่ยบัญญัติเราจะไปหลงดูคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นเขาทาไม่ดีอ่ะเราไปยึดความไม่ดีของเขาไว้เนี่ยมันก็เป็นตัวตนเป็นภาพดักที่มันติดในใจของเราแล้วนะเออนั้น ใครจะทําไม่ดีนะก็เรื่องของเขานะีเราก็เปลี่ยนแค่เรารักษาจิตของเราไม่ให้ติดติดในความไม่ดีของเขาเนะี่ยเขาจะทําดีนะเราก็อนุโมทนาเสร็จนะเสร็จแล้วก็จบนะอย่าไปยึดอย่าไปสมเขาต่อนะไม่งันมันจะกลายเป็นความนะความพอใจหรือหลงตะเิดออกไปมากกว่านั้นอนะีกเนี่ยอันเนี้คือเราต้องฝึกให้มันรู้ทันนะ บางทีเราก็ถ้าเราไปมองแต่ภายนอกมันก็จะไปไปยึดไปวิาพากษ์ไปวิจารณ์น่ะไปติดในใจของเราเนาะเราฝึกให้มันเห็นแล้วก็ดับนะเพราะที่จริงทุกคนนะมันก็ระดับหมุนเปลียนเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละนะไอ้ที่เขาเคยไม่ดีเมื่อวานวันนี้เขาอาจจะทําดีแล้วก็ได้นะไอ้ที่เขาเคยดีเมื่อวาน วันนี้เขาอาจจะแย่แล้วเหมือนก็ได้นะมันก็เป็นมายาที่เราสร้างขึ้นมานะเขาเรียกเป็นสัญญาเนี่ยนะเป็นสัญญาที่เราจํานะที่เราติดนะที่เรายึดนั่นแหละนะเราต้องฝึกมองนะมองให้มันทะลุทะดวงมองให้มันธรรมดายจำขาดการปรุงแต่งต่างนี่แหละนระวมทั้งนะความเป็นเราที่เราสร้างขึ้น ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยะด้วยเหมือนกันบาทีเราไม่ใช่ว่าไปยึดแต่ข้างนอกนะเรายึดข้างในเนี่ยแหละว่าเราเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเปอย่างนี้นะเราต้องพูดอย่างนี้เราต้องทําอย่างนี้นะเราต้องคิดอย่างนี้อะไรเนี่ยเราต้องรู้สึกอย่างนี้อะไรเนี่มันคือมันก็คือเราก็สร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเหมือนกันนะฝึกนะให้รู้ทันเหมือนอย่างที่ว่าเนะ พระอาจารย์นั้นเราต้องฟ้างขยักทิ้งแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนของท่านขึ้นมาเออท่านก็เห็นเออเห็นมายาที่มันสร้างขึ้นมานะเออแต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่เออจดิณิสัยที่มันไม่ใช่ว่าบวกลบมันเป็นแเพียแค่นิสัยความเคยชินธรรมดาที่มันไม่ได้เกิดจากตัวตนเข้ามาด้วยมันก็ไม่เป็นไรนะ แต่บางอย่างมันแฝงก็ต้องรู้ทันมันแล้วก็ละมันอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนอมันจะเห็นอาการที่มันมาหลอกบ่อยๆถ้าเราเห็นบ่อยๆนี่แหละถือว่าเรามาถูกทางนะมันจะเห็นสิ่งที่มาหลอกมาล่อนีอเยอะมากนอเห็นจนจิตมันก็จะค่อยเบื่อหน่ายนะเห็นแล้วมันจะเบื่อหน่ายจริงๆนะ เบื่อหน่ายว่ามันหลงมาเยอะเหลือเกินเนาะเรานี่ชีวิตนี้มันหลงมาเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวก็หลงนั่นหลงนี่นะสร้างนั่นสร้างนี่เอเบื่อนายมันก็จะคลายกำหนัดคลนะายความอยากนะพอรู้ว่าอยากอะไรมันก็ทุกนะอยากอะไรมันก็หลงทั้งนั้นเลยนะมันก็จะคลายความอยากคลายความยึดมั่นฝืนมั่นนะ กลายเป็นอะไรก็ได้อยังไงก็ได้อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้เอาหรือบางทีแล้วก็มีความคิดมีแผนก็ทำแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่มันได้โดยนั้นโดยสมมติทางโลกนะก็มีแผนมีงานก็ทำแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ได้ก็ได้มันก็ใจมันก็จะ เกิดความวางเกิดความเปลี่ยนทิศจิตนะเปลี่ยนมุมมองนะมองเปเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะมองเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ น, ะนี่คือปัญญาที่นะี่เราเกิดขึ้นนะเหมือนปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารนะรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้มันไม่ใช่ตัวตนนี่แหละนะ รู้เป็นเพียงแค่สมมตินะรู้เป็นเพียงแค่มา ย, ยาเราก็จะไม่หลงนะเราก็าจะอยู่กับเงาได้ไยังไม่กลัวเงายังไม่หลงเงาเราก็จะอยู่กับความคิดอยู่กับการปรุงแต่งนะได้โดยไม่หลง ค, ความคิดนะแต่รู้จักใช้ความคิดนะไม่หลง น, น, นะก็ฝากไว้